เรื่องพระปิลินทวัชทะเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลูวันทรงปราบรพระปิลินทวัชทะเถระได้ยินว่าพระปิลินทวัชทะท่านมักกล่าวติดปากว่าเจ้าคนถอยจงมาเจ้าคนถอยจงไปยอมเรียกทั้งบรรพ ช, ชิตและขารืหัดด้วยวาทะว่าคนถอยทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศัสดาพระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าถือโทษแก่ภิกษุชื่อปิลินทวัชชะเลยวัชชหามีโทษสะในคำร้องเรียกว่าทะวะคนถอยนั้นไม่ภิกษุทั้งหลายห้าร้อยชาติของภิกษุชื่อวัชชะทั้งหมดเกิดแล้วในสกุลพราหมณ์วาทะวะคนถอยนี้เธอร้องเรียกมาตลอด อัน้อยคําอันกระทบกระทั่งระคายหูคำหยากคายย่อมไม่มีแก่พระขีนาศเพราะบุตรของเรากล่าวด้วยอานาจความเคยชินเรื่องนี้คือเป็นวาสนาที่ติดตัวมาแต่ชาติก่อนเป็นความเคยชินเคยพูดแบบนั้นมานานจึงติดเป็นนิสัยแต่เมื่อพูดออกมาความเจตนาจะทําร้ายผู้อื่นด้วยวาจาไม่มีดังนั้นจึงไม่ใช่ความผิด เราะพระอระหันต์ทอะไรก็ตามเป็นศักร่ว่าธรรมเป็นกิริยาไม่ได้เป็นกรรมแล้วนะครับจากนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูอันให้รู้กันได้เป็นคำจริงอันเป็นเหตุไม่ยังไกลๆให้ขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหม ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ